แม้มาธิเดินทางนอกมันยุ่งเขานั่นป๊บหายเงียบเหลือแต่ความรู้นียเข้าอะไรก็ได้นผมบุญคงนนะเรื่องสมาธินี่ใครมาโกหกยากว่างั้นเลยคนเป็นจริงๆยังว่าใจเราเ น, นี่ยเมืไไม่อันได้มานั่นนั่นจเรียกว่าทานานเลยแคะมันไม่ไปนหนก็มีแตเอาทาอย่างเดียวกันแต่มันได้แค่ไนมนะสุดท้ายมันก็ ผลน้มันมอนกันมาแสดงออกมาว่านี่ตัวนี้ผ่านกรงนี้ตรงนี้แน่อ้่อันเดียวนี้อันนี้ผ่านนี่ <c oughs> มันไม่ได้คิดหาเลยมัน ม, มีแต่เอาเรื่องนี้ผ่านนี้ผ่านโอย <c oughs> ก, กินกลาทั้งกั้งกินปลาทั้งขี่ปุ๋ยหน่อยนะอ๋อที่เรียนโรคปวหลงมันเต็มไปในนั้นแ่ะไม่ว่า ก, กินทั้งขี่ได้ขี้โรคที้ปวดขี้หลงมันอยู่ในนั้น <c oughs> อมเอาไว้เถอ ยังไม่ได้พี้คางไม่ได้แตกกันจายแต่เมื่อมันเกิดเขทางด้านปัญญาถึงออกยิบออกพิจางณาที่กันหนึ่งโอ้โหทีิงจมันแตกแม่แต่ลูกมาไม่สาวอะไรวุ่นใหญ่นั่นแี่ทางด้านมามันเร็วนะผ่อนสมาที่มันเครื่องหนุนมันเต็มที่แล้วมันเหมือนกับเครื่องทำครัวอะไรๆปัหามาพร้อมหมดถ้าจะเป็นนั่งมันเป็นแกนขึ้นมามันมันเป็นไม่ได้นี่ ผ, ผ, ผ, ผักก็เป็นผักปลาก็เป็นปลาพริกก็เป็นพริกเครื่องทำครัวทั้งหลายที่จะมาทําให้เมื่อจะมัคื้ตื่นีน้นี่มันก็เป็นเครื่องทำครัวอยู่นั้นมันไม่ได้เป็นแจงพอเราไม่เอามาประกอบอีกมาที่ก็รวมไม่เฉยเอมารวมต้องเด็ดเป็นมากจนโผล่ขึ้นมาได้แต่เมื่อได้ออกที่คันนั่นก็มาอิบนี่ก็มาคอยตั้งเร็จเป็นอาหารประเภทนั้นจะหน้าขึ้นมาเลย แต่มันเร็วจริงอ่ะพอ่อนาดปัญญาเนี่ยมันโหว่กันไปใหญ่นในใจผมมันนิดสหลผัดโผล่มาว่าไปก็จะเข้าสมาที่ไม่ได้โอ้โหโพิลึกจริงๆมันไม่ยอมเข้านนมันมีกต่ันเผลอกำงานจะตายจรินนะขั้นปัญญานี้ใหม่เพีย ม, มากโวยใจ มันไม่มีคําว่าแพ้คําว่าแพ้มีไม่ได้ย่าที่มันจะไม่หลังในเรื่องความเปลียยนวิเลตัวไหนผ่านเข้ามาเถอะคือเราจะยอมแพ้นี่เป็นไปไม่ได้ให้ตายด้วยกันเท่านัน้นกับชนะอ่าเมืองมันถึงขั้นนั่นมันเองกําลังสุขของเคยฟาดปากนทันหแหลกกันล้มมาในระนาดตายถึงอับถหายไปเป็นรูป กี่ตัวแล้ว เ, เรื่ที่ือทำไมที่เด็กตัวไหนมันจะมาเติมกล้าสามารถยิ่งกว่าที่เด็กข้างหลังนี้ไปวะแลหัอปัญญามได้หรือนั่นที่หา้าผ่านมีแตตายก็ให้รู้แต่นั้นยังอื่นมีไม่ได้ถอยคำว่าถอยมีไม่ได้เลยเคืนคืนีเ้เ <ๆ S 1> าท่านอนไม่ได้คืนน้นบาีลายคืนติดกันสองคืนสามคืนผมนนไม่หลับเลยกลางวันก็ยังไม่นอนตัวสุดลงเหมือนกันนะร่างกายสดุด ขนาดนั้มันลังเข้ามาสมาธิจะถึงมันจะตายจเนี่ยอ่อนแล้วมันมดไอ้มีดข้าวอมาเมืองมีดนะมันก็ไม่เศร้าเอาทางคมลงเอาทางข้างลงหือทางสันลงมันฟันกันอยู่นั่นมันไม่ถอยมันไถอยไม่เร้าเป็นทางสันทางคมหรือี่ออกเาสมาธิมันก็ไม่อยากเข้ามันห่วงงานพลังทนูนมีมากกว่าที่จะมาเข้า มันเห็นว่าสมาธ่นอนตาเนยเฉยเห็นแต่ความว่าเห็ น, <c oughs> นว่าสมาธิเป็นมากกว่นี่ผ่านมันติดพอออกจังก็นั่งปัญญานั่งปัญญามันเห็นผลจริงขาดที่เหลือขาดเป็นวักเป็นตอนเลื่อย <c oughs> เลื่อยๆรู้ตรงไหนขาดตรง น, นั้นเข้าใจตรงไหนขาดตรง น, นั้นขาดไปแล้วอืออออย่างนี้หรอเหนียวนี่ห น, นเลยทีนี่เอาแล้ว <c oughs> สมาธิไม่ได้ <c oughs> มันแรงไปตายจริงมันก็เอาทิงได้ฮะล้างเขามันมีแต่งานกับเข้ามาอยู่เรื่องนู้นมันไม่มีมีแต่เรื่องยุ่งกับงานจะแก้สิ่เด็ดด้วยปัญญานั้นกับใช้พักกันถอนจากนั้นมาเข้ามาที่นี่มันยังไม่อยากถอนบางคับนั่นถอนเขมาบังคับผมอมกได้พูดโธแหละผมเอาพุทโธมันทํางานกับพุทโธครานี้แต่ก่อนเคยทํางานกับทโธมาแล้วดี่มาธิที่มันอยากทำ พุโทโธพุโทโธเผลมแต่มันพูดเผลว่าเผลอหี่อผู้ใ่มันไม่เผลอนี่เพราะรามือพูดงาว่าพอพูอะไรแบบนี้นพอนามือมันจะปุเลยอ่อนทังไม่ได้มันจะถึงถึงนั่นเลยเพราะะต้องข็แข็งบงังคับเขาให้มันทางานพุโทโธพุโทโธพุโทพโธห่างไม่ได้มันจะออกเอาพุโทโธถีบเลยท์เอั ตั้น้าตั้าบรผู้โทเหมือนกับตั้งนารทํางานอะรเีเอาแบบมาพิมคว่าผู้โทรเป็นที่รวมถึงที่เป็นคาบริกรรมเป็นงานก็ตามแต่งานรวมไม่ได้งานประกายไม่ได้งานแต่การเหมือนงานต่นอย่างผู้โทันตลบหลังราเก็ก็ออ่อนตัวเขาอ่อนตัวเขาอ่นวอ้ยพอเข้าถึงที่พัไม่เหมือนถอดเจื้อถดน้า มันสบายมันมีกําลังแนวลงจีนนักอยากให้ทําไม่ได้นั่นน่ะนะเพราะมันเจ็บข้อจะขึ้นอยู่แล้วบังคับมันลงลงเลงพอพื้นฐานสมาธิมันเก่งอยู่แล้วนี่ให้มันเข้าไม่เข้าได้่งถึงจะยากเขาเข้าได้ไงเพราะไม่ใช่มันหลงแถวมันะมันเพลินนั่งต่างหากมันไม่ใช่มันหลงแถวหรือสมาธิเสื่อมมันเพลินกําลันั่งต่างหากเพราะฉะนั้นล่าเข้ามานี้มันถึง ทุ้ยามันก็มาได้ของมันพอาไมไ่เสือ่อมมันเป็นหลักงานหนึ่งแล้วดึงมางานพมันมือสูงมีกําลังแน่ใจแจล้วเต็มที่แล้วสบายครับพอพอถอนไม่ถึงเลยนะถึงเรงานแล้วงานนั้นแหละสติปัญญาที่เคยใช้เนี่ยแต่มันขาดสะบัดไปเลยทีนะนั่น จะไม่แน่ใจไงว่าสมาธิปริธาอิธาปัญญามหาพลาโขติมาสร้างข้าให้มันเห็นอย่างนี้ที่นักปฏิบัติถ้ามันเข้าแนวโลกอย่างนี้สิมันจงรู้กลลเมตดของการโลกต่อข่าศึกค่าศึกมีกี่ประเยบค่าศึกป็นแมงสัตวดราวกุ้งเขามีไหแล้วสัตว์ราวกุ้งเราที่จะต่อสู้เขามีไหนั่นผู้ที่เข้าในแนวโลกทำภาคปฏิบัติด้นนานภาวนานี่แหละคือผู้ที่จะรู้ความจริงของศาสนาได้ เป็นอย่างดีว่ามันไหนกล้าพูดมันจะเรียนจําำมาเฉยไม่ไม่ออกแนวโลกมันก็เหมือนเราเรียนวิชาทหารไม่ออกแนวโลกแต่ชำนี้ชำนาญอะไรผู้อยากออกแนวโลกน่ะคือผู้ชํานาญการสงครามนี่แล้วออกนั้นเวลาจตดกัต่อสู้กับพิเดประเภทไหนต่อสู้วิธีใดเมื่อกลยุทธ์อะไรบ้างมันูนกัน แล้วก็เลยหมอบราดไปขาดกระจาดไปด้วยอาวุธประเภทไใดวิธีการใดมันรู้กันหมดพอถอยลองมาก็ถึงเลยแล้วขาะบ้นเลยแต่มั น, ม, นมันก็ไม่ได้ติดใจนะมันจดจำเอาเป็นอันนี้ไว้มันก็ไม่จำนะอ๋อนี่เวลามันมันเหนื่อยจีิแล้วต้องพักอย่างนี้เหมือนก็ทําความเข้าใจตัวเองไว้มันไม่สนใจนะ พลังท่านั้นมากเป่าไม่แต่บนหน้าเลยลใครขาดกิเล ด, ดขาดกมบัตให้ได้รู้เดียวนั้นเห็นเดียวนั้นพูดง่ายเอาอยางสนุกสนุกเอามันเป็นพาาระหันเดียวนี่หนะว่าเัินพูดงมานไม่เป็นอะไรอะทางสันลงาาทางข้างลงว่ันกิเลก็ต้องเอาทางคมลงซึง่งต้องาเวลามันเหนือ่อยเปาแล้วไม่ทาบทางสันทางคมท้งข้างตีก็เลยไปปะไปนั่น<ม>พาเข้าสมาธิ ดึงเข้ามาที่อันมีกําลังแล้วฐานองปัจจุบันนี้มันถึงถึงถึงเลยโอยมันแปลกดุนะปันญาเนี่ยมันเหมือนกับมันคมมันกล้าของมันฟาดไปตัวไหนขาดสถาบัานแล้วต้องพิจารณานั้นนะตุต๊บตัต๊บตุ๊บตับอยู่นะั่นแต่พอออกจากที่พักคราวนี้ไปแล้วโอขาดสถาบัานอะไรแต่จากนั้นมันก็ยังไม่ถือเป็นคติในนั้นเราแปลกเหมือ น, นกันนะเราเองเพราะความเพลินนั่นมากกว่า มันถึงไม่มาสนใจผมนี่พอที่จะถือเป็นกติกาตั้งว่าที่เวลามันเหนื่อยต้องเข้าธรรมาที่รีบก่อนมันจะถือยังไม่ถึงนอกจากมันจะตายจริงแล้วมันกบบทาอย่างนั้นแหละพรอมันจะตายจริงมามา น, นะทำไมครับจนกระทั่งไปเต็มที่สุดความสำเร็จของเราไหมครับไปแล้วมันถึงย้อนขึ้นมาอีกนะย้อนมาตรวจงานเจ้ของเตรวจงานที่ผ่านมาไปไ ห, ต ร, ไหตรงไหนโคตรตรงไหนโค้งตรงไหนตรงตรงไหน ผิดพลาดประการใดล่าช้าอะไรลู้มันนั่นแหละที่มาสอนมูอเพื่อนดิสอนด้วยความแน่ใจละดิเรามันเป็นตัวเสี่ยงมาแล้วทุกอย่างนี่เวลาสอนมูอเพื่อนก็ไม่ได้สอนแบบสู่แบบใดที่เพราะเราเอาเป็นตัวเสี่ยงเป็นจั่งตามาแล้วผิดถูก ป, ประกันได้เราผ่านมาหมดรู้หมดแล้วที่นี่อันไหนที่ควรจะเหมาะสมกับการอบรมสั่งสอนมือเพื่อนน่าจะผล อางรวดเดียวทันใจไม่ต้องโคตรต้องโค้งก็ต้องก่งแน่วเลยสอนอนั้นนึงอันนั้นผิด น, ยย น, น, น, น, นั้นอย่างนะเนี่ยบอกเลยให้พิจารณาอย่างนั้นนั้นว่างเลยครูตั้งใจปฏิบัติตามนั้นมันก็ได้ผลังว่าผิดไปไหนสิ่งได้ก็ตามถ้าลงได้ผ่านได้รู้ดีแล้วมันจะผิดไปไหนว่างั้นหนึ่งเป็นผ่านไปแล้วมันผิดไปไหน มันหนูันหนักจริงๆเวลามันหนักจิตว่าวุวนขุ่ะอยากหาเกณฑ์มาได้เนี่ยตอนทุกข์มากก็มาถานทุกข์จริงๆกิเลสเหยียบหัวจนเหนื่ยหัวไม่ขึ้นเหนืยหัวงหัวอะดอ่าน้แมันก็ถึงเวลาแล้วขมันที่จิตมันจะเหยียบหัวกิเลสมันก็มีพอมีกำลังที่เหยียบหัวกิเลสตัวไหน เก่งขึ้นมาเราพี่ก็หาตัวเเก่งๆหน่อยนี่มันไม่ห า, ารรมดานรอกหาเกเรเดี๋ยเ น, นี้โคตรหาเกเรเครียดตอนนี้ขาดสะ บ, บั้นไปแล้วมันก็หมดงานไปพักหนึ่งนะที่มันงานมันคุย้ยเสียยอันที่มันก็เป็นงานอีกแล้วคุ้ยเสี่ยไม่อยู่เฉยมันคุย้ยเสียเราโผล่ขึน้นมาก็เอากันมาเปน็นหนี้ได้งานแล้วแหนะอะไรนะาาได้งานแลน้วนี้ใส่ขาดทะลุค้างขาดทะลุที่ปั่ ไม่ลีนะลงเป็นแบบทุตยมตัทับราไว้ดหมดเลยเดี๋ได้ยอมรับเถอะพระนเกเสกก็พยายามร์บตอบกันแพรารีบถามาารพระนักเสกมาพระอรหันต์ท่านทิ่งจะเรณ่าท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรือเปท่านรู้ในสิ่งที่่อนรู้แน่พํานักเ็นเตอบ ถ้าม BER er ีหลงดืมมาหลงดืมในสีที rolling, like this, so ah. ่ควหลงดืมไม่หลงดืมในสิงที่ไม่ควรหลงดืมทานั้นให้กตัอย่างเขาก็ไม่ไมหลงดืมเช่นแช่นไรเช่ชื่อนช่นชื่อนี้เป็นส่วนเมืองกาญจบาุรีหรือชื่อต่างถึอเมืองสถานที่นั้นจะมีผิวูดผิคนชื่อสถาปริกี้มีความหลงดืมได้พรานี่เป็นเรื่งขันต้งสัญญาธรรมดา อะไรที่มีที่ไม่หลงลืมมาถามเลยนะอริยสัจเนี่ยไม่มีวันหลงลืมมาจะหลงลืมยังไงกับอริยสัจอยูกมันก็อยู่กับจิตนึงจิตอยู่ท่าการของอริยสัจที่ทุกข์ก็มีแ้วมุธานั่งกับผ่านอแล้วท่านจะ อ, าาอะไรมาเลยอะไรจะหนักยิ่งกว่าการลบกสุขไทยทค่ตัวที่ดเด็กท่านจะไปดึงได้ยังไงประชับ มักคือเครื่องมือสำคัญที่ท่านออกมาใช้นั่นก็เอาชีวิตเขาทุ่มท่านจะไม่ถ้าจะลืมได้ยังไนิโรธความดับทุ้มกับเพิ่เดียวหมดเลยพอำนาจของมักมีกําลังเต็มที่แล้วนะถ้าจะเอาอะไรมาเลยเหมือนไฟไหม้ในระเบิดเพิ่มเดียวเลยถึงขนาดมันดับมันดับไปพร้อมกันหมดมันก็าถอนต้นไม้ทั้งลังแก้วถอนพื้นเดียวหมด เลยนี่ท่านคูนว่าความยอมรับเมื่อดูวิธีการเรีงนต้องิดมาตั้งแต่ต้นมันไม่ไม่ลืมสักทีสักทีนมันเป็นความจริงเอาอะไรมาเลยไม่ใช่ความจับมันเป็นความจรินกินอยู่กับจี่กับใจรู้เห็นอย่กับใจเป็นมาอย่านมันรู้เห็นอกับใจมันเป็นความจริงมาล้วนมันจะอะไรมาลืมถ้าเป็นความจํามันลืมได้ถ้าเป็นความจริงมันไม่ลืมการปฏิบัติ รู้เห็นขึ้น้ามากน้อยเป็นความจิงทั้งหนั้นไม่ใช่เป็นความจับข้างเป็นระยะระยะระยะฮ่า ด, ด, ดื่มทิ่มเยิ้มหนักมากโอ้โออหหม้อพัดหม้อเยิ้มเรา มันเอาหนายหนายข้าคืนเวทีก็ยกครูยังไม่เสร็จเลยถูกมันแต่ตกเวทีไปแล้วคิเลมันเร็วมันพอเวลามันมันทันกันมันมีอำนาจมากแล้วถึงคิเลสมันก็หมอบนี่นะจริงๆเจะคุยเฉียวหาแล้วบ้างไหีมันหมอบกันเองมันไม่แสดง คุยเสี่ยงหาคุยเกียงไปคุยเยกเี่ยงมาเยอะกับโผมามล น, นก็ใส่ปัวเลไม่ถอยนะท่านนั้นยิเลสจะยกคูล้วยกคู่ไม่สำคัญเหมือนกันนะพี่พอ ม, มันถึงกันแล้วนะกำลังมันของมันมนะิเลสจะยกคูก็ยกคูไป่สำคัญคอร์สจะเห็นตัวข้าศึกชโดเดเสร็จผึ่งเลยไม่มีกฎกติกาก <c> ็ <oughs> <c oughs> กฎกติกามวยพระเภทนี่ไม่มี เวลากิเลสเล่นเราบังวนกันใส่เราก็ะป๋งนี่มันไม่มีกฎกติกาเมกันเนี่ยมันเอาเราได้ทุกเอียบุทุกขนาจผิดกิเลสอ๋อนั่นคืออะไรเราสู้มันก็เพราะว่าเราเอากํารปั้นตะตีภูเขาต้องลูกอยู่แล้วอย่างภูเขาต้องลู่การปั้นตะตีให้ภูเขามันแตกไปะจามันเป็นไะไรเถอะนั่นแหละวลาที่เดลดมันนาเนี่ยกับสติปัญญาเราเพียงตอนนี้มันเหมือนกันนแะมาเทียบนะแต่ฟัง สติมัญญามฟิกตัวกันไปเจ็มทีแล้วกําลังมันก็เหมือนกับพูนเขาทั้งโลกเหมือนกันฮะ่าดมันตัวไหนมันก็แหลกระจายอยู่เหมือนกั น, น, น, น, ก น, กนกยู่รียยังไม่ยังยังยังไม่ยกครูด้วยครับพอขึ้นไปเวทีมันแตกอ้วเดียวลงแล้วหายเหรอเวลามันมันเดือดของมัน เนี่ยเตือนหมูสมุนแล้ถึงใจทุกอย่างทา น, นต่อสู้รบกับกิเลสการภาวนาเพื่อฆ่ากิเลสตัวผิดผัยอย่าทำเล่นหนาทาเล่นฟอนกิเลสหัวเราะมันมันไมไ่เลยตายแล้วอะ่ะมันขั้นเอาเันจริงๆมันบ่มไมาเลยตายถึงแค่กายเท่านั้นเ่ะ อีนี้อะไรจะมาเป็นอุปรรคล่ลงว่ามันถึงแค่ตายเท่านั้นจิตเมื่อมันถึงขั้นนั้นมันจะควรว่าันขนาดนั้นมันมีพอตายเป็นหนึ่งพันหนึ่งตายอยี้บนความตาย บนไม่เข้าใจอูปราคาอูปราคามานะอุสจาวิชาอูปราคาอนันดีๆในภาพของเนี่ยมันเป็นนี้ให้รู้นิมิตภายนอกหมดภาพภ า, ายใ น, นอย่างอยู่ไม่เพินนะพุทลานั้นเป็นสนามบบกปุ๋ยยังไงเป็นหินนัาเปญญาซักถึงกันนั่น เขาเรีย่ดีในรูปประชานก็ถูก๊กทะเลาะไม่ต้พูดไปเราพูดตามเราปากรภาพภาพภายในว่านั้นพ อ, อ ร, รูปประชานรูปป ร, าา ร, ร, ระหลาดรูปประหลาดเยอะมันยินดียินดีในรูปประชานนี่มันยินดีในความว่างแห่ะไป น, นั่นซะเาราเวลามันว่างมันก็เพลินกับความว่างเอานีมิดอันนี้แหละ ก็ได้มั น, มนเกี่ยวโยงกันพอปุง่งภามันขึ้นแปาบเหลือมันกะ็ะจาไปเลยต่อไปมันก็ปนแต่ห้วห้อยสุดท้ายแป๊แบออกนันเหลือแต่กองบ้างไปอยู่นั้นอุปราคาอุปราคาคำว่าราคานั่นไม่ได้เหมือนราคะตันถ า, าของโลกสงสารอย่างนั้นราคาหลายข้นนั้นแต่ภาษาทางพุทธศาสนาตั้มีภาษาแคบไม่ได้กว้างกวาง จ่อหังนะว่าเราเ ม, อน ร, อ, ร อ, มอนรื้อวัวนันาหลื่อวัวพอภาษาไทยเราเนี่ยมันมากเขามากแต่และอย่างๆอย่างใช่มากภาษาไทยเรากินนี่ก็เอาเรีรมันกี่คำเป็นไรพธ์ใช้แทนกันได้มีกี่คำกินรับทานขันเวยยัก <laughs> แตกท่านภาษาอียิปต์บอกสแตสกแบกแปอ ด, อ, ด, ดอีกนี่นะฟังเรือั น, นเดียวแล้วแบบคำว่าก่นมันแปลไปได้จนแหลกไปหมดอันนี้คำว่าราคาราค า, านีาเราจะเอาราคานี้เปหมายเป็นอันเดียวกันเป็นความหมายอันเดียวกันกับราคาตันหาของโลกของสามทั่วๆไปนี้ไม่ได้นะคำว่าราคานี้หมายถึงเราพอใจติดใจอยู่กับมันนั่น เัลนั้นนะคุณยังไงยงดูดื่มกินไม่บีบอยู่กับมันนั้นพอใจที่นี่พิจารณาไม่ใช่พอใจติดพอใจที่จรียนนานีมันสัมผัสกับอันนั้นคุณยังายมันไม่มีอะไรจะสัมผัสพิจารณาอะไรมันร่วงหมดแล้วมันปลอดหมดมันก็อันนี้มันสัมผัสีเป็นวัฏวันตอนอะไรสิเป็นรูปราคะคือรูปภาพภายในอิตมันก็สัมผัสกับอันนั้น พิจาณานั้นอยู่นันเอานั้นเป็นเป้าหมายของการพิจามณาแต่ตอนนั้นนั่งขมดไปมันก็เลยเป็นว่างว่างก็เอาภาพนี้มามาเป็นเครื่องปรับซ้อมความว่างให้ทำงานทันี้ภาพนี้ก็เลยหมดแยับมากับพร้มดับพร้อมหนึ่อองพี่มานไม่ทันมันเหมือนใจนห้อยเป็นภาพมาแยับพับดับหมดก็มีแต่ความว่างความว่างเป็นพื้น อุปราคาอุปราคามานะคืออะไรถือใจนั่นรู้เองมานะถืออีกธถื่อพิทาวิชาเอุชาจะได้จแห ก, การพิจารณาเพลินเ ก, นเ ก, น, เกนเกินตัวจีว่านั่นไม่ใช่อุช า, าระกุ้งจะกุ้งตั่าลำคานไปแปรโลกทงสารนะอุชาจะมารื่อง ม, มันเพลินในการพิจารณาเกินกว่าเหตุพูดง่ายๆท่านจึงเรียกว่าเป็นสังโยชน์ มันเกินกว่าเด็กไม่ใช่ทางดุดังแท้จริงมันผานมันผลามันเหมาะสมก็กคือว่าเวลาที่งานเวล า, ลากีบเนยล่าเข้ามาก็พักสมาธิเสียนั่นแต่นี้จิตอันนี้มันชอบอย่างนั้นมันเทินกับงานจำเรียกว่าอุทักษะแต่ไหนบอกว่ากูไมจัดอุทักษะเทินต่อการดึง มานะหมายถึงถือกุฏิชาแล้วอันนั้นแหละมันเป็นเที่ยวน้ำแหลงตัวมานะนั่นะถือีกที่ว่ามานะเก้าคืออะไรคือสำคัญว่าตนตนต่ำของเขาสำคัญว่าต่ำของเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่าอยู่เขาหนึ่งตนเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่าต่ของเขาสำคัญว่ีอยู่เขานึ่ ตัวยิ่งของเขาต้องามาต่ของเขาต้องกามาเสมอเขาหนึ่งางเาต่ำเาสามเป็นเก้ามานะพันแยกกระายไปเตือนเป็นคะแนนมันเป็นเรื่องจริงมานะปาราคาปาราคามานะอุตตริวิริชา เออกากมายเป็นจิตต้นไห่มานอะไรมาย น, นั่ถือ น, นัอ้นละละได้ได้วยอรหัตกรรมาการละมีสังโยชน์ห้านี้พระอรหันต์นี่นะถ้าโสดาละด้สังโยชน์เดสามคือส ก, กายจิตวิจิตราที่แล้วแต่รปรามาสกว่างนันแต่เราก็พูดไปตามเกินป่าแล้เนะี่ย เราพูดความถนัดใจของเรานะคนอื่นจะเห็นด้วยเห็นด้วยก็ตามก็เราได้เรีนมาอย่างนี้บรรพุมณนทั้งนี้หาทางมันผิดมันผ่านไปได้อย่างไงเนี่ยเราแน่ใจหน่อยสิะกากิจีความถึงเนื้อสกากิี่พระโสรระพรรบัญละได้าอันนี้คือแยกกันกับทางบ้างปัุบัตสกากิจขี่มีอะไรมีเ่ไหร่สกษากิจขี่แยกไปแล้วมันมีั้งยี่สระม ถ้าวัตถ nah ุกรข้าวสัตว right? right? right? ์หล <S at sah aja> ักพระราชาขาดได้เห็นรูปเป็นตนเห็นตนเป็นรูปเห็นรูปมีตนเป็นตมรูปหนึ่งสี่แล้วนั่นเห็นเวทนาเหมือนกันคือรูปเวทาราณอย่างละส่สี่ห้างนี่เห็นเวทนาเป็นตนเห็นตนนเวทนาเห็นตนนามีตนเห็นตนมีเวทนาเนี่สี่ัญญาสังสารวิญญาเหมือนกัน้าพระโชดานั่นอย่าง ปกพระพิดาท่านก็มีครอบครัวยญาติยังมีธรรมดาในเวลาพิการอย่างนี้โน่นมันจะวลานผ่านมันกับย้อนมาเข้าใกล้กันเองมาไปถึงขั้นอันนี้มันเป็นขั้นอนาคาวอาการคำว่าวิจิขันท่านแน่ตอบความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็น ิตดังที่เขียนไวในเดียงลำดับอายะพุ่มอีกอย่างเข้าสู่ความสงบอย่างแนวเราจะพูดถึงปัญญาเป็นเรื่อนะคนก็ไม่เราไม่พูดเย้มากเลยเห็นความจริงภายในจิตเจ้าของแล้วตานั้นมาแล้วมันไม่มีถอนทางเราตัวข้อเปลี่ยนเกี่ยวไว้ในเทิกันเรียงอายะพุ่มทีนี้พระตาปัญญาชนั้น ลูําำสิ่งทดอะไรอะไรมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเพื่อพระสัมมาสัมพุทนานุาได้คือว่าท่านตัง้งแต่วันท่านได้สำเร็จ น, นี้แล้วท่านแน่ตอ ก, การอาจาใจท่านเป็นความบริสุทธิ์การอาจาของท่านบริสุทธิ์รับสิาาก็รู้เลยปานากรู้อแล้วเนียอาินากรู้อยู่แล้วสัญญานะการเมรกรู้ มู้สาวกรู้อัรารู้ท่านเล่าท่านเองโดยดำดับไม่ต้องไม่ต้องไปสมาธแต่เนีเราเล่าเหมือนอย่างที่เราต้องหลายสมาธที่ัหนระมะยังพันเตะมะยังพันเตยุ่งไปหมดงานพิธีจังแล้วแล้วลำเล่านั่นหละปรามาสรูปคำคำหาความจริงนันท่านสมมุิเฉดทวีรากตนเดียวเลยเป็นอาปาฏิบังเป็นนั้น มาลงจุดนี anyway. ้แต่เราไม่หาข้านใครแล้วเห็นรับแล้วรลบเาออกมายังพันเตยยงเานเตียงอย่างล้ำคานตอนนั้นเองมันบ้ารับสีนพวกนี้ว่าอย่างไรฉันดูสามร่างกายศีลที่ขาดเชื่อว่ากลับมาธรรมะข้าปฏิฆะหมาย การนอาคําว่าพระเมตติตัวของพระสวัสดบิบาลนั้นท่านถือเหตุถือผลถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งมีเหมาะสมไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นนักโทษมาก็ตามมาพูดอะไรให้ฟังด้วยเหตุโดยผลเป็นความถูกต้องและท่านยอมรับทันทีโดยไม่ต้องไปเลืออดีตทังนู้นใจเป็นนักโทษมาพูดอะไรยินขนาดไหนฉันก็ไม่เชื่อไม่มไนําไปสินสิ่งที่จริงมันไม่เชื่อเอาเฉพาะคำพูดนั้น โดยไม่แต่คานึงถึงผู้นั Shiny ้นเขาเป็นอะไรมาแต่ท่บอกว่าหนึ่งก็หนึ่งเป็นอะไรนักโทษคนนี้เอาอะไรี่หนึ่งก็หนึ่งบวกกันเป็นอะไรนักโทษคนนี้เอาตอบที่หนึ่งก็หนึ่งเป็นสองคราบเหมือนหนึ่งนั่นเขาถูกต้องแล้วความเป็นนักโทษก็เป็นเรื่องของขาตงหาหนึ่งก็หนึ่งเป็นสองนี่เป็นความถูกต้องแล้วในหลักแห่งการบทสกค่าหนึ่งนี่ถ้าเอานี้ไม่ไปรืออดีตเขาึงนันนี่ก็อดีฐานะความรู้วิชา พองเขาเอาหลักความจริงนี่พอพอถูกต้องยอมรับทันทีท่านไม่ถือเนื้อถือตัวแบบนี้ไม่ใช่ไม่ถือละล่าสกายจีนี้ได้หมดมสกายจีนี้ยี่สิบนี่ลองดูสีเอาเข้าไปชุนมูลกันก็รู้อัลโซดาสามารถได้ยังไงว่ามั่นพอละสกายจีนี้ยี่สิบปีแล้วมันก็เป็นพรานาคาปิแล้วมันอพระนาคาเต็มภูมิด้วยนี่นะอ่อ ขาดหมดเยหลือแต่กิจวิชาดุงเดียวเท่านั้นน ะ, ะาราคาสี่ยี่สิบนี่หมดแล้วนะธน า, าคารเต็มคุมของธน า, าคารด้วยนะวางไม่อยา่างธนาคาเพียงเริ่มได้เพื่อนนะคือเราได้ขาดสมบ้าิหน่อยแต่นั้นก็ก้าเขากิตวิชาแหลกไปแล้วขาดเท่านั้น นี่เราพูดารภาษาป่าเราแล้วปนฏะิบัติมาตื่นขันขันห้ามมันจะเร่งเล่งไม่ใช่ปัญญาขั้นมหาติมหาปัญญาทำมันมได้มหาติมห า, าปัญญาแล้วนำมาทำ อธัญญาตั้งขาว น, า น, ขนาวนานิญญาณสำคัญมากเวทนาหนี้มันยังเกี่ยวกับส่วนร่างกายแม้จะเกี่ยวกับกิจกรรมมันก็มาเกี่ยวอยู่กับร่างกายแต่ธัญญาตั้งขันวิญญาณมันเด่นมากก็นาะแบบความรู้สึกที่กิดในการพิจนารณามันเด่นมากนี่นะเยเยอะจนกะทั่งมันเข้าใจเต็มทีแล้วมันปล่อยจริงกินหรือนี่สาระอะไรดีครับหลอก เฆษณาสัญญาสัญขาเหมือย่างนึ่งมีเป็นตัวหลอกรอบอีกทวีตที่หักหลอกจิตให้หลงตามหนอ่งนี่มันรู้ชันันนันน่ะนี่มันก็เลยขาดเป็นรักกันหมดนกับจิตจุกกลางอันนี้อยู่ข้างนอกเวลามันรู้ทัดท่องมันไปนั่นนะนั่นไม่จะไปไปเกี่ยวโยงอย่างนี้ไม่ประสานกันเลยมันแยกเป็นวงวงขันสี่ขันห้าอยู่นอกจิตอยู่นี่พราะจิตจึงต้องแสดงตัวอย่างเด่นชัดองคอาจกาหร ผ่องใสเด่นดวงตัวนี้อยู่เฉพาะพวกพวกนี้เข้าไม่ได้นั่นมันต้องเห็นด้วยภาคปฏิบัติขาดหมดแล้วนี่ด้วยปัญญาลู่ชันแล้วนี่ถือได้ยังไงน่ะมันอยู่นั่งเหลือแต่จิตต่างหากพารูนะ้เรื่องทันยาทั้งขาเกิดทั้งมันอยู่นั้นแหละแต่ว่าเกิดมันก็นไม่หลงนี่ก็ยังว่านีน้เฉพาะเพียงมันมันแย้มงมานี่มันก็รู้สย มันแยบออกมามันปรุงมันก็รู้เสียดับไปพความเสียดีช่วยดับไปพร้อมปรุงดีปรุงช่วยมันดับพราะมแต่พร้อมกัรููมันอยู่แั้นเซแต่นี่ห้อยแล้วมันแยกแยกแยบรูปมันไม่กำเริบมันเพียงเท่านั้นเมื่อเรารู้แล้วทาไมรู้มันก็ต่อสายาวเหยียดไปเลยเป็นอดีตแน้วคดไปไหนถึงไหนตามไม่ทันหรือเมืรู้ทันมันแล้วมันเกิดจากนี้แต่ไม่ใช่อันนี้ มันอย่างควานไฟมันเกิดขึ้นจากไฟแต่ไม่ใช่ไฟมันควานควานของมันควานประดเนี่ยมันไม่ใช่ไฟนี่มันก็เกิดขึ้นจากจิตไม่ใช่จิตเขารู้ไหมเแต่เรื่องจิตกับวิชานี่มันแยกกันไม่ได้นะผมพูดตามความจริงจะแยกกันอย่างพวกเวทนาสัญญาสังขารนอย่างจากจิตอย่างนี้มันแยกเป็นว่ามันก่อเนื่ไม่ได้นี่อัิชาัยตรงนี้นะ ผิดอยู่ตรงนี้มันแยกไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอันเดียวครับกรคืนท่านี้พอมันพังถลางไปทึงมันถึงสราบแต่ชาติากิตมันอยู่ใต้อันอันธรรมชาตินี้มันอยู่ข้างบนมันข้อมันพอเนี้ยกระจายไปอันนั้นมันเป็นปรากฏเป็นอย่าเต็มตัวที่เราจะแยกมันออกนี่เหมือนทั้งหลายมันแยกไม่ได้ทั้งหมทางด้านปฏิบัติแลต่พอย่างที่คือการปฏิบัติของเราความรู้ของมนของเรา มันไม่สามารถตัวแยกกับวิชาออกวัดเป็นอย่างนั้นเอกเป็นอย่างนี้เหมือนกับคันสี่กันห้อันนี้เห็นได้ชัดๆพรเข้าถึ้งจิตกับวิชามันเป็นอันเดียวกันมันไม่รู้เขื่อนเดียวกับเพราะาอันเดียวก็ถูกคึมมันมันครอบอย่างเนี่มันไม่เห็นตัวจิตวิชามาครอบนี่ครอที่ฟังไปแล้วมันถึงรู้แต่มันก็ไม่แยกแล้วี่มันไปไหนกันไม่รู้มันหายไปเลยทีนั้นแยกมันอยู่อย่างนี้อยู่นี่เหมือน รูปเป็นอยู่อย่างนี้เวทานาอยู่างนั้นทั้งาทังขาทยาอยู่างนั้น่ ง, อยอยงนั้นมันกเป็นตัวตัวมมีอยากวันมันก็นมีงั้นแต่อันนั้นพอมันผ่านผูปป้ไปมันไม่เห็นอะไรกลับมาม า, ามีอย่างนั้นนี่หมอนคันาหานไม่มีหายเงียบไปเลยแสว่ามันไปเลย <laughs> ไม่เห็นกระทันหันมังมันเศร้าไม่เห็ ไมน่นและเราแยกเป็นประเกทอไรนั้นน่ได้วแยกมันไม่ไม่ปรากฏเลยพราะก็ออกก็ไปอยู่ี่นั่นนั่ยมาอยู่เป็นสัตว์ตัวเกลอนองอหายเนียบไปพร้อมเลยพังตั้งใจงม า, ามาอยู่เล่นๆเฉยๆนะมากินแล้วนอนมาก่อนแล้วนี่ไม่นด่นะ เห่อหมดกำลังไปทุกวันทุกวั น, วนอาก า, ารส อ, อนหัวเพื่อนนี่จะมาเห็นผลนันไม่เพึ่มปรารถนาถ้จาจับเข้ามาแล้วดื่มแล้วมันยิ่งหมดกำลังใจนไปการปัดกวาดคละการให้ลมันระวังตั้งนี้ต่อไปมันมันเท้าอยะเอามบบยุบเปืนอนขาดเดี๋ยวเสี๋ยว เอะไรทำให้มั น, มนจริงมันจางฮะมีเหตุมีผลนี่มันเป็นที่น่าดูสมก ว, วัตธรรมจิตวัตรเพื่อเจ้าของร่างร้านมันสมบัติอะไรกเพื่อเจ้าของอะไรแก่กิเลสเจ้าของความเสี่นมง่ายเป็นกิ เ, เลสแก่ตรงนั้นเป็นไงพวกพระใหม่กิเทศวันนี้เข้าใจไหมกิเทศวันนี้ฟานเข้าใจหรืเปล่า <嗯> <Okay. S 1> 啊！我这怕不完。